นิทานเรื่องที่สิบก้าพระเจ้าตริวิกรมเสนเดินกลับมายังต้นอโศดอีกครั้งและทรงนำเอาตัวเวตาลพาดมาเดินกลับมาทางเดิมในระหว่างทางเวตาลได้ชักชวนให้พระองค์ฟังนิทานอีกเรื่องหน้าเมืองว่าโกลกะมีกษัตริย์นามว่าพระเจ้าสุรยะประพะแต่พระองค์ไม่มีรัชทายาทไว้สืบราชบัลลังก์ สร้างความวิตกกังวลให้แก่พระองค์และชาวเมืองเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันณเมืองตามาราลิปติเศธีนามว่าธนาบานได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้องต่างแย่งชิงสมบัติไปจนหมดภรรยาของเศรษฐีจึงได้แอบนำสมบัติที่ซ่อนเอาไว้หนีไปพร้อมบุตรสาวนามว่าธนาวดีในตอนดึกของคืนหนึง่ง2แม่ลูกเดินอยู่ในป่ามืด จนกระทั่งวิ่งเข้าไปชนโจรผู้หนึ่งที่ถูกทางการลงโทษให้ถูกเหล็กเสียประจานไว้โจรผู้นั้นเห็นว่าเป็นหญิงสูงวัยและสาวงามจึงกล่าวว่าท่านทั้งสองฟังให้ดีข้าจะให้ท้องคมเจ้าพัานตำลึงหักเจ้าให้บุตรสาวของเจ้ามาเป็นภรรยาแก่ข้าเมื่อนางแต่งงานแล้วก็มีบุตรชายค่ให้ถือว่าบุตรชายนั้นเป็นลูกของข้าจริง เจ้าจะหาใครก็ได้ว่าเป็นพ่อของเด็กคนนั้นออแล้วทำไมท่านถึงอยากได้บุตรชายล่ะชายใดเกิดมาไม่มีบุตรชายไว้สืบสกุลตายไปก็ไร้ผลบุญที่จะนำไปสู่สุขเปรตภรรยาเศรษฐีได้ยินข้อแรกเปลี่ยนเป็นทองคำมหาสารจึงตกลงรับข้อเสนอของโจรเพราะวิสัยของนางนั้นเป็นผู้มีความโลภนางจึงนาน้ามารดมือโจรและกล่าวยกลูกสาวให จนผู้นั้นจึงบอกที่ซ่อนท้องให้แก่ทั้งสองพร้อมทั้งสั่งให้จัดพิธีศพให้ตนด้วยเมื่อสั่งเสียเสร็จจนผู้นั้นก็สิ้นใจลงภรรยาเศรษฐีได้จ้างให้คนนำศพโจนนั้นไปเผาแล้วนำกระดูกโยนลงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จากนั้นสองแม่ลูกเกาหลีไปขุดท้องแล้วพาการไปซื้อบ้านหลังหนึ่งในนครมะกรูระกักเป็นที่อาศัยยังมีความสุข ยังมีพราหมหนุ่มผู้หนึ่งนามว่ามณัสวามินเป็นผู้มีรูปงามชาติกระเหมิดก็สูงการศึกษาดีพราหมผู้นี้ได้ตกลุ่มลักนางหงสาวลีแต่นางเรียกค่าสินสอดแก่ชายใดที่มาสู่ขอถึง500เหรียญทีนาะพรามมณสวามินไม่มีเงินทองมากพอที่จะไปสู่ขอนางจึงได้แต่กลัดกลุ่มเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นางธนวดี บุตรสาภรรยาเศรษฐีกาลังนั่งเล่นอยู่ที่ดาดฟ้าบนครืหานก็ได้เห็นพราหมณนสวามินจึงเกิดตกลุมรักในความงามทันทีนางจึงขอร้องมารดาให้ตนได้วิวากับพราหมณ์หนุ่มผู้นี้ทันทีอมแม่มาตรองดูแล้วนะไม่มีอะไรผิดต่อสัญญาที่ให้ไว้กับโจรผู้นั้นลอกเจ้าสา ม, มารถแต่งกับพราหมณ์ผู้นั้นได้พรุ่งนี้แม่รีบจัดการให้เลยนะจ๊ะ แล้วมารดาของนางคนะวดีก็ได้ส่งสาวใช้ไปพบพรามหนุ่มอย่างลับๆเมื่อพราหมณหนุ่มได้ฟังคําขอร้องของสาวใช้ก็ยินยอมตกลงแต่ต้องจ่ายเงินให้แก่เขาเป็นจํานวน500รทีนา mm hmm. เพื่อพราหมณหนุ่มจะได้นําไปให้นางหงสาวลี mm hmm. และได้ร่วมอภิรม์กับนางคืนหนึ่งฝ่ายภรรยาเศรษฐียินดีที่จะจ่ายตามขอตกลงนางคนะวดีจึงได้ร่วมอภิรม์กับพรามหนุ่มเพียงคืนเดียว พอรุ่งเช้าพระรางหนุ่ก็หนีออกไปอย่างลับๆจากนั้นนางธนวดีก็ตั้งครันและคลอดบุตรชายอันมีลักษณะสูงส่งสร้างความดีใจแก่นางธนวดีและมารดาเป็นอย่างมากในคืนหนึ่งองพระศิวะได้มาเข้าฝันสองแม่ลูกและแนะนําให้นําเด็กผู้นี้พร้อมเหรียญทองร้อยตํานึงไปวางไว้ที่หน้าประตูวังของพระเจ้าสุริยะปร ะ, ะภะภรรยาเศรษฐีและนางธนวดีจึงได้รีบทําตามที่องค์พระศิวะบอก ฝ่ายพระเจ้าสุริยะประภะผู้ยังไม่มีรัชทายาทซืบราชบัลลังคือ น, นั่นเองพระศิวะได้มาเข้าฝันและบอกว่าให้รับเลี้ยงทารกซึ่งมาพร้อมกับถุงทองที่หน้าประตูวังทารกผู้นี้มีลายนิ้วมือและก็ลายเท้าเป็นรูปฉัตรูปธงเป็นลักษณะที่เป็นมงคลยิ่งพระศิวะได้ประทานบุตรชายที่น่ารักแก่ข้า หลังจากนั้นพระองค์ได้ประทานพระนามแก่พระโอรสว่าจันทรา ป, ประพระพร้อมจัดงานสมโพชฉลองถึงสองวันสองคืนกาลเวลาผ่านไปเจ้าชายจันทรา ป, ประพระก็เจเริญวัยเติบโตเป็นหนุ่มมีอุปนิสัยกล้าหาญชาญฉลาดจนเป็นที่พอพระไทยแก่พระเจ้าสุริยะประพระเป็นอย่างมากจึงทรงสละราชสมบัติให้พระโอรสสืบทอดราชบัลลังก์แทน ส่วนพระองค์ได้ออกผนวดเป็นฤาษีอยู่ที่เมืองพาราณสีจนกระทั่งสิ้นพระชนสร้างความเสียพระไทยแก่เจ้าชายจันทราประภาเป็นอย่างมากพระองค์ได้จัดงานพระศพพระบิดาอย่างสมพระเกียรติเมื่องานเสร็จสิ้นลงเจ้าชายจันทราประภาได้รับอาสานำพระอัฐิไปโปรยลงแม่น้ำคงคาพร้อมกับเดินทางไปจาริกบุญณนะเทวาลัยต่างๆแม้บรรดาเสนาอำมาตจะพากันห้ามปรามเพียงใดก็ไม่ทรงฟัง พวกท่านอย่าห้ามเราเลยพระบิดามีพระคุณต่อเรามากเราขอทำหน้าที่ลูกที่ดีเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาไม่นานเจ้าชายจันทรประพระก็ได้เดินทางมาถึงแม่น้ำคงคาเพื่อโปรอยอัฐิลงในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็บุ่งหน้าต่อไปยังประยาคาสถานอันเป็นสถานที่ซึ่งฤาษีทั้งหลายเคารพยังสูงเนื่องจากเป็นที่บรรจบกันของแม่น้าคงคาและแม่น้ายมุนา ตลอดทางจะมีควันไฟจากการบูชาไฟของเหล่าฤกษ์สีพระองค์จึงได้กระทําการบูชาไฟแล้วเดินต่อไปยังนครพาราณสีพุ่งหน้าสู่ภูเขาขยะอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทําพิธีถวายข้าวบินแก่พระบิดาณนะบ่อน้ําที่ประกอบพิธีถวายข้าวบินนั้นมีเหล่ารามซึ่งเดินทางมาประกอบพิธีเช่นเดียวกับพระองค์ในขณะที่ทรงประกอบพิธีอยู่หน้าบ่อน้ํำศักดิ์สิทธิ์ทันใด น, นั้นก็ปรากฏมือยื่นขึ้นมาจากบ่อน้ํา พร้อมกันทั้งสา ม, มือเพื่อรอรับข้าววินจากเจ้าชายเหล่าพรามเห็นแล้วจึงกล่าวว่ามือหนึ่งมีรอยเหลาแทงแสดงว่าเขาเคยเป็นโจรมาก่อนมือที่สองถือคำภีรแสดงว่าเขาเป็นพรามส่วนมือที่สสวมแหวน ม, มีค่าและมีลายเส้นวาสนาที่มือแสดงว่าเขาเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงเลือกเถิดพระเจ้าข้าว่าจะถวายข้าวบินให้กับผู้ใด เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหน่าพระไทยให้กับเจ้าชายจันทราประภาเด้ย่างมากภากเป็นพระองค์ละ่ะท่านเห็นว่าผู้ใดสมควรได้รับข้าวบินนั้นเวตานเจ้าใิช่างสรรหาเรื่องมากมายมาหลอกข้าอยู่เรื่อยเลยนะว่าไงล่ะท่านขอคิดว่าโจรคือผู้ที่สมควรได้รับข้าวบินนั้น พระเจ้าชายจันทร์ประภาผู้เนี้มีชีวิตเติบโตมาได้ก็เพราะคําสัญญาที่นางผู้เป็นมารดาตกลงเอาไว้กับโจรส่วนพราหมณ์ผู้ให้กําเนิด น, นั้นไม่อยากถือว่าเป็นพ่อได้เนื่องจากเขารับเงินเป็นข้อแลกเปลี่ยนส่วนพระเจ้าสุรยิยประภา น, นั้นก็อาจถือได้ว่าเป็นบิดาเพราะทรงเลี้ยงดูเจ้าชายมาหากแต่คิดให้ดีแล้วก็เหมือนกับถูกว่ า, จาเจ้าเลี้ยงดูนั่นแหละ เพราะพระองค์เนี่ยทรงรับเงินที่มารดาทิ้งไว้ไปเลี้ยงดูด้วยหากพระองค์ไม่รับเงินนั้นพระองค์ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบิดาโดยบริสุทธิ์ใจดังนั้นเน่ยเจ้าชายจึงเป็นลูกชายของโจรผู้นั้นซึ่งได้เกิดจากความตั้งใจและกติกาที่โจรนั้นตั้งขึ้นและเพราะมารดาของเจ้าชายก็ได้รับการหลั่งน้ำทักษิโนโทกตามปรเณีทุกอย่างดังนั้นน่ โจนจึงสมควรได้รับข้าวบินในพิธีสราทุกอย่างเมื่อเวตาลได้วังเช่นนั้นก็ได้หัวรอกกล้องกังวานและลอยกลับไปยังต้นอโศกดังเดิมความกตันยูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงปฏิบัติ